วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธบรยสัต์ผู้มีจิตศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มารวมกันเพื่อมาศึกษามาฟังเทศ์ฟังธรรม พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่จะฉายแสงให้แก่จิตใจของสัตว์โลกที่มืดบอดด้วยโมหะอาวิชชาให้สให้สว่างสวยขึ้นมาด้วยปัญญาให้เห็น การเวียนว่ายตายเกิดของตนเองและเห็นทางที่จะนำออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแสงสว่างแห่งธรรมนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์โลกนี้ก็เป็นเหมือนกับจิตใจของสัตว์โลกถ้าไม่มีแสง ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์โลกนี้ก็จะมีแต่กลางคืนจะไม่มีกลางวันเพราะไม่มีแสงอาทิตย์มาส่องแสงให้ในตอนกลางวันนั่นเองโลกนี้ก็จะเป็นกลางคืนทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่พอมีแสงของดวงอาทิตย์โลกนี้ก็จะมีทั้งกลางวันและมีทั้งกลางคืน กลางวันก็จะมีแสงสว่างสวยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกที่ได้อย่างชัดเจนจิตใจของสัตว์โลกนี้ก็เหมือนกับโลกที่ถ้ามีดวงอาทิตย์ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมก็เหมือนกับมีดวงอาทิตย์ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ก็จะเป็นเหมือนกับโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์ตอนนี้โลกของพวกเราตอนนี้จิตใจของพวกเรานี้อยู่ในยุคที่มีแสงสว่างแห่งธรรมคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสลลเรียกว่าเป็นแสงสว่างแห่งธรรมซึ่งนานๆน จะมีปรากฏขึ้นมาให้แก่ใจของพวกเราสักครั้งหนึ่งแสงสว่างแห่งธรรมหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่เรื่อยๆตลอดเวลามีปรากฏขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะหมดไป แล้วก็จะรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุปใหม่มาฉายแสงสว่างแห่งธรรมให้แก่สันโลกใหม่ mm hmm. เราอยู่ในยุคที่มีแสงสว่างแห่งธรรมคือเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้ามาฉายแสงสว่างแห่งธรรมให้กับพวกเรา คือเรามีพระธรรมคําสอนอันประเสริฐ mm hmm. ของพระพุทธเจ้า mm hmm. ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก mm hmm. แล้วเราก็มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู mm ้ hmm. ที่ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคําสอน mm hmm. ที่มีความสามารถที่จะนําเอาแสงสว่างแห่งธรรม mm hmm. มาแสดงให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราได้ยุคนี้ถึงถือว่าเป็นยุคทองของสัตว์โลกของสัตว์โลกผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่จะได้เรียนรู้ว่าตนเองนี้อยู่ในสภาพอย่างไรตนเองนี้คือจิตวิญญาณ ที่ติดอยู่ในไตรภพของสังสารวัตรสังสารวัตนี้เป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีแบ่งไว้เป็นสามภพด้วยกันคือกามภพอรูปภพแ ล, และรูปภพนี่คือภพทั้งสามของสังสารวัตร ที่สัตว์โลกคือจิตวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต้องติดอยู่ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากใตรภพนี้ไปได้ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาฉายแสงให้เห็นทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ การมาพบนี้คือพบของจิตวิญญาณที่ยังเสพกามอยู่ที่ยังมีความยินดีต่อการเสพกามการในที่นี้ก็หมายถึงการมคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะชนิดต่างๆผู้ใดที่ยังมีความยินดี มีความชอบมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงเกลื่อนรดผธภะพาะอยู่ผู้นั้นก็จะติดอยู่ในการมภพบการมภพบนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองสีกด้วยกันเรียกว่าสุขกติกับทุกขกติสุขกติคือซีกที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข แล้วทุกขติก็เป็นสิ่งที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขและมีภพที่อยู่ระหว่างกลางของทุกขติและสุขติภพที่อยู่ระหว่างกลางนี่คืออะไรก็คือภพของมนุษย์ภพที่อยู่ในสุขติก็ได้แก่เทพทั้งหลาย ณภพที่อยู่ในทุกขติก็ได้แก่อบายสี่คือเดลฉานเปรตอสุรกายและนรก <S <s <ad> <t rio> เหตุที่ทำให้จิ ต, ตวิญญาณของสัตว์โลกแต่ละดวงนี้ไปจุติอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้ <S <s <ad> <t rio> ก็เกิดจากกรรมคือการกระทาของจิตของสัตว์โลกในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์กัน เราตอนนี้เราเป็นจิตวิญญาณที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้พอเราเป็นมนุษย์เราก็จะมีการกระทําต่างๆบางครั้งเราก็มีการกระทําบุญกันเช่นวันนี้การมาวัดมาทําบุญทําทานเรากําลังทําบุญทําทานกันบางวันเราอาจจะไปดื่นสุรายาเมา ไปทะเลาะวิวาทไปมีเรื่องมีราวหรือไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีวันนั้นก็เป็นวันที่เราทำบาปกันบุญและบาปที่เราทำนี่แหละเป็นเหตุที่พาให้จิตวิญญาณของพวกเราไปเกิดในทุกขติหรือในสุ ข, ขติกันถ้าทำบาปก็จะต้องไปเกิดในทุกขติ เป็นลำดับต่อไปคืออาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรม ก็จะเกิดในนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทาบาปคือไม่รักษาศีลห้าได้แก่ 1. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. การละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่นาการละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี 4. การละเว้นจากการพูดปด และห้าการละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและของบุญเมาต่างๆการกระทำเหล่านี้จะดึงให้จิตใจจิตวิญญาณของมนุษย์นี้ไปสู่ทุกขติส่วนผู้ที่ได้ทำบุญทำทานแบ่งปันเสียสละมีข้าวมีของมีเงินมีทองที่เหลือใช้เหลือกิน ก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่จิตใจอพอตายไปบุญกุศล <c oughs> บุญกุศลนี้ก็จะส่งให้จิตใจได้ขึ้นไปสู่สวรรค์หกชั้นด้วยกันตั้งแต่สวรรค์ชั้นชื่ออะไรจะไม่ได้มี น้ดูเสร็จมีนิ้วอะไรต่างๆมีอยู่หกชั้นด้วยกันลองไปเปิดหนังสือดูแต่สวรรค์แต่ละชั้นก็มีความสุขมากน้อยต่างกันชั้นต่ำก็มีความสุขน้อยกว่าชั้นสูงเพราะว่าการกระทำบุญนั้นมีการกระทามากน้อยต่างกันทำน้อยก็ได้ความสุขน้อยได้สวรรค์ชั้นต่า ท ร, ร ม, มากก็ได้ความสุขมากได้สวรรค์ชั้นสูงนี่คือพบของกามภพบที่จิตวิญญาณของผู้ที่ยังเศษกามอยู่จะต้องติดไปจนไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบแสงสว่างแห่งธรรมและเรียนรู้ว่าเหตุที่ทำให้สัตว์โลกมาติดอยู่ในกามภพบนี้ก็คือกามะทันหา ความอยากเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ส่วนภพอีกภพหนึ่งคือภพที่สองเป็นภพที่สูงกว่าภพของกามมาภพคือเป็นภพที่มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์น้อยกว่าภพของกามมาภพคือรูปภพเนี่ยรูปภพนี้เป็นภพของผู้ที่มีฌาน ผู้ที่ขณะที่เป็นมนุษย์นี้ไม่สนใจกับการไปเสพกามไม่สนใจกับการไปเที่ยวไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับตนแต่กลับสนใจที่จะไปปรีกวิเว้ไปอยู่ที่สงบสงดัดไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่าง ฌานนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันรูปฌปานกับอรูปฌปานรูปฌปานก็มีสี่สี่ชั้นอรูปฌปานก็มีอีกสี่ชั้นด้วยกันผู้ที่เข้ารูปฌปานได้เวลาจิตวิเวลาร่างกายตายไปจิตวิญญาณนี้ก็จะไปอยู่ที่รูปภพคือไปเป็นรูปประพรม พรที่มีรูปเป็นสวรรค์ชั้นพรมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพและมีความทุกข์น้อยกว่าสวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าสามารถเข้าสมาธิเข้าสู่ฌานที่ลึกกว่านั้นได้คือขั้นอรูปฌานได้จิตเวลา ร่างกายตายไปก็จะไปเกิดที่อรูปภพ<อ>คือภพของอรูปภพคือพรมที่ไม่มีรูปที่เป็นภพที่ละเอียดที่สุดเป็นภพที่มีความสุขมากที่สุดและความทุกข์น้อยที่สุดแต่ยังมีความทุกข์อยู่ทุกตอนไหนทุกตอนที่จิตใจ หรือฌานเสื่อมลงนั่นเองเวลาฌานนี้เสื่อมลงจิตใจก็จะหยาบขึ้น <c oughs> ความทุกข์ที่เกิดจากความหยากต่างๆก็จะมีมากขึ้นถ้ามีพอฌานที่ได้ส่งจิตให้ไปสู่ อ, ร, อรูปอรูปภพเสื่อมลงจิตก็จะเลื่อนลงมาสู่ระดับรูปภพ เรื่องจากอารูปฌานมาสู่ขั้นระดับรูปฌปานแล้วต่อจากนั้นก็จะเสื่อมจากรูปฌปานลงมาสู่เทวภพเพราะว่าความอยากจะมีมากขึ้นความอยากจะเสพกามเริ่มออกมาก็จะทำให้ไม่สามารถอยู่ในอรูปภ พ, พ, พหรือรูปภ พ, พ, พได้ก็ต้องมาเสพกามในเทวภ พ, พ เสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพไปแล้วพอความอยากมีเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดให้ได้มากขึ้นก็ต้องมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ขนาดที่เสื่อมนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าเราจะอยู่ความสุขในระดับไหนพอความสุขในระดับนั้นเสื่อมลงไปความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมา ยกตัวอย่างถ้าเราเป็นเศรษฐีร้อยล้าน<ม>พอเราเสื่อมจากระดับร้อยล้านมาอยู่ระดับ1ิบล้านเราจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่เรามีสิบล้าน<ม>สำหรับคนที่ไม่มีเลยนี่สิบล้านนี่ก็เหลือเฟือแต่สำหรับคนที่มีร้อยล้านนี่พอลดลงมาเหลือสิบล้านแล้วจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันที<ม>แล้วพอ ลดลงมาจากระดับสิบล้านแล้วต่อมาก็ลดลงจากสิบล้านมาเหลือระดับล้านเดียวนี่คนที่เคยมีสิบล้านพอมาเหลือล้านเดียวจะสุขหรือจะทุกข์กันนั่นแหละคือระดับนี่คือความทุกข์ของพวกที่มีความสุขมากๆของพวกมหาเศรษฐีถึงแม้จะมีเงินเป็นล้านอยู่ก็ตามแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้ ทุกเกิดจากความเสียดายเสียดายในเงินทองที่เคยมีมากสําหรับอรูปปฐมก็เช่นเดียวกันทุกเพราะได้เสียอรูปปชาญไปได้เสียความสุขของระดับอรูปปชาญเลยต้องมาเสพความสุ ข, ขระดับรูปปชาญแล้วพอความสุขระดับรูปปชาญเสียไปต้องมาเสพความสุขของเทวภพเ <S S> นี่ยก็ ทำให้เกิดความรู้สึกมีความทุกข์แต่เป็นความทุกข์เพียงเดี๋ยวเดียวคือเศรษฐีร้อยล้านพอพอสูญเสียไปเหลือสิบล้านก็ทุกข์ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ปรับตัวได้<ม>เดี๋ยวก็กลับมาอยู่ระดับสิบล้านได้กลับมามีความสุขระดับสิบล้านได้<ม>แล้วเดี๋ยวพอลดลงมาเหลือล้านหนึ่งก็ปรับตัวลงได้ ก็มีเป็นทุกข์เป็นช่วงๆทุกเวลาที่ตกลงมาจากสวรรค์เหมือนทุกตอนที่ตกบันไดมันก็เจ็บหน่อยแล้วเดี๋ยววันสองวันอาการเจ็บก็หายไปก็อยู่ขั้นที่ตกลงมาได้มีความสุขในระดับของขั้นที่ตกลงมาได้จนในที่สุดเนี่ยจิตวิญญาณก็จะตกมาสู่ระดับของมนุษย์ใหม่มาเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ย พวกเหล่านี้บางท่านอาจจะลงมาจากที่สูงก็ได้ส่วนใหญ่คิดว่ามาจากที่สูงกันเพราะถ้าว่าไม่ได้มาจากที่สูงนี้จะไม่มาที่นี่กันเพราะว่าคนที่มาที่นี่นี้เป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่คนที่จะไปสุขคติได้นี้ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมมีศีลห้าพวกที่มีศีลห้านี้แล้วก็เป็นพวกที่ใจบุญสูนทาน พวกนี้จะเป็นพวกที่ตกลงมาจากสวรรค์กันตกลงมาจากสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็มาปรับตัวเองให้หาความสุขในระดับของมนุษย์ใหม่ก็ไปเสพกามยังต้องเสพกามกันอยู่ยังต้องมีแฟนต้องมีครอบครัวยังต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆให้เสพอยู่เพราะเวลาขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว จะทำให้ใจมีความทุกข์มีความหิวโหวยถึงกับทนไม่ได้เลยต้องกลับไปเ <c oughs> สพกามใหม่สำหรับผู้ที่ตกลงมาจากสวรรค์ชั้นเทพผู้ที่ไม่ได้ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมพอกลับมาก็จะเสพกามแต่สำหรับผู้ที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมนี้เขาก็จะไม่เสพกาม เพราะเขารู้วิธีหาความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากกามาคุณห้า mm hmm. เขาก็จะไปเป็นพวกนักบวชกัน mm hmm. นี่ยทำไมโลกเหล่านี้จึงมีคนระดับต่างๆกัน mm hmm. ไม่เหมือนกันมีคนหาความสุขชนิดต่างๆกันบางคนก็หาความสุขจากการ mm hmm. อยู่แบบนักบวชหรือไปเป็นนักบวช เพราะว่าในอดีตชาติจิตใจของเขาเคยได้สัมผัสเคยได้หาความสุขจากรูปฌานอรูปฌานเขารู้วิธีที่จะเข้าสู่รูปฌานอรูปฌานได้อย่างง่ายด้เพียงแต่ขอให้เขามีเวลาว่างมีสถานที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนใจเขาเท่านั้นใจของเขาก็สามารถที่จะเข้าฌานได้ทันที นี่คือจิตราวิญญาณที่ไปเกิดในการมาพบในสิกที่เป็นสุขติแล้วก็จะขึ้นไปสู่รูปภพและอรูปภพแต่ก็จะต้องเสื่อมกลับลงมาเพราะว่าฌานนี้ไม่ได้เป็นของถาวรยังเป็นของชั่วคราวอยู่เป็นของที่หมดกำลังได้เหมือนน้ำมันรถยนต์ เติมน้ำมันรถยนต์ให้เต็มถังก็สามารถขับรถไปได้ไกลไกลกว่าน้ำมันครึ่งถังแต่พอน้ำมันหมดก็ต้องจอดแวะตามสถานีบริการเ <S S> พื่อจะได้เติมน้ำมันใหม่จิตวิญญาณของผู้ที่ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแ <S S S 1> ม้ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นโทมนี้เดี๋ยวพอน้ำมันที่ส่งไปหมดกาลังลง ก็ต้องจอดแวะเติมน้ำมันสถานีบริการที่จะเติมน้ำมันให้แก่จิตวิญญาณก็คือภพของมนุษย์นี่เองเนี<ม>่ยพวกเราตอนนี้ก็มาเติมน้ำมันกันใหม่บางท่านก็มาเติมบุญเติมกุศลด้วยการทำบุญทาทานเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองต่างๆที่มีเหลือกินเหลือใช้ให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนอันนี้เรียกว่าเป็นการเติมน้ามันระดับบุญ หรือระดับของเทพเนี่ย <Yeah. S 1> บางท่านก็กลับมาแล้วก็ไปอยู่วัดกันวันไหนว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องทำอะไรมีเวลาว่าง <Yeah. S 1> ก็จะไปปรีกวิเวกไปอยู่วัดกัน <Yeah. S 1> อย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> เช่นวันพระน <Yeah. S 1> ก็ไปถือศีลแปด <Yeah. S 1> ไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมกัน yeah. Yeah. พวกนี้เคยทำมาแล้วเขาก็ทำง่ายสำหรับพวกที่ไม่เคยทำนี้จะทำไม่ได้จะไม่รู้ว่าไปอยู่วัดกันทำไมวัดไม่เห็นดีอะไรเลยหนังก็ไม่มีดูเพลงก็ไม่มีฟังข้าวเย็นก็ไม่มีกินไปหาความสุขจากวัดได้อย่างไรพวกที่ยังเสพกามอยู่ก็จะไม่ไปไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวก็งดจิตลาคาญใจ เดี๋ยวทนไม่ไหวก็ต้องกลับบ้าน <Yeah. S 1> เพราะไม่เคยเสบรูปปชานารูปปราชา น, นั่นเอง <Yeah. S 1> แต่สำหรับพวกที่เคยเสพรูปปชาญารูปปชาญานี้ mm hmm. เขาจะเขาจะชอบไปวัดกัน mm hmm. เขาจะชอบสถานที่สงบ mm hmm. เขาจะชอบอยู่คนเดียว mm hmm. เขาจะชอบเจริญสติคอยควบคุมความคิดของเขาให้หยุดคิดเขาจะชอบนั่งสมาธิกัน mm hmm. เพรเวลานั่งสมาธิแล้วเขาได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเสพกามนั่นเองนี่คือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณในสุขคติที่เกิดจากเหตุคือการได้ทาบุญหรือได้ฝึกสมาธิได้รูปฌปานหรืออรูปฌปาน ก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุขติพอบุญหรือฌานที่ส่งให้จิตขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาเติมน้ำมันใหม่คนที่เคยเติมฌานก็จะกลับมาเติมฌานใหม่คนที่เคยเติมบุญก็จะกลับมาเติมบุญใหม่เหมือนกับน้ำมันรถยนต์ รถยนต์ที่ใช้95ก็จะเติม95รถยนต์ที่ใช้91ก็จะใช้91รถยนต์ดีเซลก็จะเติมดีเซลเพราะเติมอย่างอื่นไม่ได้รถรนพังก็เลยต้องเติมน้ามันที่เคยใช้นั่นเองนี่คือสภาพจิตใจของสัตว์โลกที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากการกระทำของแต่ละท่านนั้นมีความแตกต่างกัน ในขณะที่มาเป็นมนุษย์นี่เองแต่การได้ทาบุญกุศลและการได้ฝึกสมาธินี้เป็นการกระทาที่ดีเพียงแต่ว่าไม่ดีสุดๆเท่านั้นเองเพราะว่าผลที่ได้รับนี้ยังไม่ได้เป็นผลที่ถาวรยังไม่ได้ความสุขแบบพระนิพพานคือปรมังสุขขงังการที่จะได้ความสุขระดับปรมังสุขขังนี้ จะต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมคือมีผู้มาบอกทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในใจภพ mm hmm. ก็คือต้องมีการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ mm hmm. และพระพุทธเจ้านั้นจะต้องเผยแผ่ธรรมะ mm hmm. ถ้าเป็นพระประเจกพะพุทธเจ้านี้ท่านก็จะไม่เผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้ใด mm hmm. ท่านก็จะเป็นผู้ที่รู้ธรรมเพียงผู้เดียว เป็นผู้ที่จะหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้เดียวแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้านี้พอท่านตัดสิรูแล้วท่านจะนาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดเวียนว่าตินอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ และอะไรที่จะมาทำให้ตัดสิ่งที่ผูกมัดจิตใจให้ที่ให้ติดอยู่ในตรัยภพนี้ให้ขาดได้ <Yeah. S 1> อันนี้ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมคือต้องมีการตัดสรู้ของพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้ว <Yeah. S 1> ก็จะนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สาโลกต่อไป <Yeah. S 1> พอได้ทรงสแสดง ทำให้แก่สารโลกผู้ที่มีความสามารถที่จะรับไปปฏิบัติได้ก็าสามารถตัดพบตัดชาติได้ทันทีเช่นในยุคแรกๆของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมุ่งไปสู่ผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดผู้ที่สามารถจะน้อมเอาพระธรรมคำสอนนี้ไปปฏิบัติได้ทันทีทันใด และเห็นผลได้ทันทีทันใดเลยคือทรงมุ่งไปสอนพวกนักบวชก่อนทําไมจึงไปสอนพวกนักบวชเพราะพวกนักบวชนี้เขามีเครื่องมือเกือบจะครบแล้วเครื่องมือที่จะตัดทบตัดชาตินี้มีอยู่สามคือศีลสมาธิและปัญญาพวกนักบวชในสมัยพระพุทธเจ้านี้เขามีศีลบริสุทธิ์กันแล้วเขาก็มีสมาธิคือมีชาตขั้นต่างๆ มีอัปปนาสมาธิมีรูปประชานและอรูปประชานแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาที่ได้จากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยติดอยู่ในตายภพนีไม่มีวันออกจากตายภบไปได้เหมือนกับถ้าเราอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าทางออกจากที่นี่ไปทางไหน เราก็จะต้องไปแบบคนตาบอดคำช้างคาทางไปแต่คำยังไงก็จะไม่เห็นทางออกต้องมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาพะมีแสงสว่างแห่งธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้านำเอาแสงสว่างแห่งธรรมมาเผยแผ่ครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีก็คือนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิระดับ รูปประชาและอรูปประชาน <Yeah. S 2> พอได้รับแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาที่สอนว่าเหตุที่พาให้จิตวิญญาณของพวกเขานี้ติดอยู่ในตายภพนี้ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา mm hmm. กามตัณหาสำหรับพวกนักบวชนี้เขาก็กาจัดไปได้แต่ยังอาจจะไม่ถาวร <Yeah. S 2> กาจัดด้วยกำลังของสติ mm hmm. ภาวะตัญหาวิภาวะตันหานี้เขายังไม่ได้กาจัดเพราะว่าภาวะตัญหาก็คือความยินดีกับการเสบรูปประชา น, นี้เองและวิภาวะตันหาก็คือความยินดีที่จะเสบารูปประชานเขาไม่รู้ว่าความยินดีในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ผูกให้ผูกมัดจิตใจของเขาให้ติดอยู่ในเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างพวกเรานี้ไม่รู้ว่าที่เราต้องมาเกิดเป็นมนุษ อยู่เรื่อยๆเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังมีกามาตัะหากันอยู่เรายังอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพากันอยู่สําหรับผู้ที่กำมาเกิดแล้วมาเป็นนักบวชก็เป็นเพราะว่าเขายังติดอยู่กับรูปปัจจานกับอารูปปัจจานอยู่เขายังมีภาวะทันหามีวิภาวะทันหาอยู่นั่นเองแต่ถ้าเลิกตันหาทั้งสามนี้ได้ ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปและ ว, วิธีที่จะเลิกปัญหาทั้งสามนี้ก็ให้เห็นตรรักในในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นเองเช่นเห็นตายรักในรูปเสียงกลิ่นรดสำหรับผู้เสพกามให้รู้ว่ากามคือรูปเสียงกลิ่นรดนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงออได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสื่อมไปหมดไป พอเสื่อมไปหมดไปทกุก็จะเข้ามาทันทีสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปก็ยังก็จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่เพราะอยากจะได้ความสุขใหม่นั่นเองแต่ไม่รู้ว่าความสุขใหม่ที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ทุกครั้งไปไม่ว่าจะเสกกันกี่ครั้งกี่คราวก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป นองสังเกตดูเวลาที่เราออกนอกบ้านไปเที่ยวกันนี้เรารู้สึกมีความสุขกันแต่พอเรากลับมาบ้านไม่นานความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่บ้านก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วทำให้เราต้องออกไปนอกบ้านกันอยู่เรื่อยๆไปหารูปเสียงกลิ่นรสจากสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนยาเสพติด พอเสพแล้วมันติดมันต้องหายาเสพมาติดมามาเสพอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่ติดยานี้สบายกว่าไหมคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี้สบายไม่มียาเสพติดก็ไม่เดือดร้อนมีก็ไม่เสพอันนี้สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสพยาเสพติดฉันใดสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในกา ร, การเสพติดในรูปเสียงกลิ่นลดผลพาะ ก็สามารถเลิกได้เลิกได้แล้วก็สามารถมีความสุขได้แล้วมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นนัเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีความทุกข์ตามมานั่นเองคนที่เลิกเสพยาหรือเลิกติดอะไรต่างๆได้ติดกาแฟลองเลิกดื่มกาแฟดูสิ แล้วจะสบายขึ้นเยอะไม่ต้องมากังวลกับการคอยไปหากาแฟมาดื่มอยูอเลยปิดละครติดอะไรก็ต้องคอยหาละครหาอะไรมาดูอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ดูก็จะรู้สึกหงุดเหยียดขึ้นมาทันที น, นี่คือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสต่า ง, างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามองให้เห็นว่ามันจะทําให้เราทุกข์ถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราในเบื้องต้น แต่ต่อไปมันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไปพอมันเปลี่ยนไปมันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์เนแล้วมันก็จะทำให้เราต้องกลับไปหามันอีกหากี่รอบกี่ครั้งมันก็จะทุกข์อีกนั่นตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกดังนั้นถ้าอยากจะไม่ต้องกลับมาเสพกา ร, รอีกต่อไปก็ต้องเลิกเหมือนต้องฝืนใจด้วยการใช้สมาธิที่เราได้ฝึกฝนอบรม เราใช้ปัญญาคือเห็นเห็นความทุกข์ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนั่นเองเห็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้อนัตตาเห็นอนัตตาก็คือเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราได้เพียงอย่างเดียวให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันจะต้องพัดภาคจากเราไป ถ้าเราเห็น อ, อนิจจังทุกขงังอนัตตาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะฝืนมันแล้วเลิกมันได้ถ้าเรามีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาดัางนั้นเวลาสอนปัญญานี้พระพุทธเจ้าจึงไปสอนพวกที่มีอุเบกขาก่อนพวกที่มีสมาธิก่อนเพราะพอสอนแล้วนี้เขาสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เลย เพียงแสดงทำเพียงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพอแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญจะวัคคีย์ก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากของตอนเองและจะดับทุกข์ก็ดับด้วยความด้วยการหยุดความอยากต่างๆก็ได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งทันทีเป็นพระโสดาบันเพราะสามารถตัดความอยาก คือสังโยชน์ได้สามข้อด้วยกันก็คือความยึดติดในขันห้าเนื่องจากมีสักกายทิฏฐิความเห็นผิดไปเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราก็ปล่อยวางได้ทันทีแล้วก็ปล่อยวาง วิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงหรือไม่ไหวาวางศีลรัปตะประมาสได้คือความรูปคล้ำในศีลรู้ว่าการรักษาศีลนี้เป็นวิธีป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจเวลาทเวลาจิตใจทุกข์นี้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการไปทำบาสนี่ดังนั้น ทก็มีดวงตาเห็นธรรมในระดับแรกขึ้นมาทันทีแต่ยังต้องปฏิบัติต่อไปเพราะยังมีโมหะอวิชชาความมืดบอดที่ปิดกั้นตาไว้ไม่ให้ไม่ให้เห็นสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตใจของตนอยู่ก็ต้องเจริญปัญญาต่อไปจนในที่สุดก็จะสามารถที่จะตัดสังโยชน์คือละ กามทันหาภาวะทันหาและวิภวะทันหาที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เอ <Yeah. S 1> าหมดสิ้นไปก็ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจิตได้หลุดออกจากสังสารวัฏออกจากตายภพอย่างสิ้นเชิง <Yeah. S 1> ไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาสร้างบุญมาสร้างบาปกันอยู่เรื่อยๆตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาป แล้วพอผลบุญผลบาปหมดกาลังก็กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมบุญมาเติมบาปกันใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้ามาฉายแสงมาบอกเหตุที่ดึงให้จิตใจติดข้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่จะดึงให้จิตใจ น, นี้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด เหตุที่จะดึงให้จิตใจของสัตว์โลกนี้ออกจากกองทุกข์แห่งการวิ่นว่ายตายเกิดก็คือมครคนี่เองมร์ก็คือทางสู่วิมุตติธรรมทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ของสังสารวัฏเราเรียกว่ามร์ถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าทางถนนหนทาง มีทั้งทางด่วนและมีทางธรรมดามักก็มีสองทางเหมือนกันมีสองระดับพูดง่ายๆเป็นทางเดียวกันทางที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นไปสู่วิมุตติธรรมไปสู่พระนิพพานสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีสองระดับคือทางด่วนกับทางไม่ด่วนทางด่วนนี้จะไปเร็วกว่าทางไม่ด่วน เรารู้กันว่าเรามีทั้งทางด่วนจะเดินทางไปกรุงเทพนี้จะไปทางสุขุมวิทก็ได้ผ่านศรีราชาผ่านพัทยาผ่านเมืองชนผ่านแปดริ้วไปก ว, กว่าจะถึงกรุงเทพก็นานเพราะมีรถติดมีสีแยกไฟแดงมีอะไรต่างๆไม่สามารถวิ่งได้เต็มกำลังแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้สมัยนี้ทางด่วนมาถึงสัตหีบแล้วถึงอู่ตะเภาแล้ว ก่อนที่อยู่อุตภาวนี้ก็ขึ้นทางด่วนหมายเลขเจ็ดเข้าสู่กรุงเทพได้อย่างรวดเร็วกว่าทางที่จะพาให้จิตตวิญญาณของพวกเรานี้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีสองระดับด้วยกันระดับของนักบวชและระดับของผู้ครองเรือนทุกคนก็ต้องเริ่มต้นจากระดับของนักครองเรือนก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยเป็นนักบวชมาแล้วในชาติก่อนๆพอมาเกิดปั๊บก็บวชได้เลยเช่นเด็กบางคนนี้พอมาเกิดปั๊บอายุสิบขวบพ่อก็เอาไปบวชเนนบวชเนนแล้วก็อยู่วัดไปจนวันตายเลยเนเช่นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วพระญานาสังวรท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วท่านก็ไม่เคยศึกท่านก็บวชไปจนกระทั่งท่านมรณาภาพไป เพราะว่าท่านเคยเป็นนักบวชมาในอดีตะพอท่านมาบวชใหม่ท่านก็ไม่รู้สึกอึดอัดถ้าไม่เคยเป็นนี่บวชได้ไม่นานหรอกบางทีสิบห้าวันก็ขอพ่อแม่กลับบ้านนะเช่นที่นี่ทุกปีจะมีการบวชภาคก็ดูร้อนเอาพวกดิงทั้งหลายมาเป็นคนมาสอนให้เป็นคนมาจะให้เป็นนักบวชกันบวชได้แค่สิบห้าวันก็ไม่ไหวแล้วอขอกลับบ้านกันละ ถ, ถึงบวชแค่สั้นๆ น, นี่เอง เพราะรู้ว่าถ้าบวชยาวแล้วเดี๋ยวต้องแหกแหกข้อกันอยู่ดีเดี๋ยวจะต้องไปทำบาปโดยใช่เหตุก็เลยปล่อยให้เขาไปดีกว่าดีกว่าบังคับเขาให้บวชแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปแอบไปเล่นเกมแอบไปดูหนังอะไรต่างๆเพราะเขายังไม่เคยอยู่ใช้ชีวิตแบบนักบวชอยู่จิตใจเขายังถูกกาอารมณ์ครอบครอบงมอยู่ไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ นี่คือเรื่องของผู้ที่กลับมามาเจริญมรรคต่อพูดง่ายๆพวกที่เคยเจริญมรรคมาแล้วก็กลับมาเจริญต่อถ้าเคยเป็นนักบวชก็บวชได้เลยแต่ถ้าไม่เคยเป็นนักบวชก็ต้องเจริญมรรคในระดับต่ำก่อนคือระดับของผู้คลองเรือนระดับของผู้คลองเรือนก็คือต้องมีการทาทานเพิ่ม ทำทานแล้วก็ค่อยมารักษาศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี้คือภาวนาดังนั้นก็มีสองระดับเด้ยวยกันระดับนักบวชนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาระดับผู้ครองเรือ น, นี้ก็ต้องทําทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ภาวนาการภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาตามลําดับต่อไปก็เป็นทางเดียวกัน ต่างกันตรงที่เป็นทางด่วนหรือทางไม่ด่วนผู้ที่เริ่มต้นก็จะใช้ทางไม่ด่วนก่อนเพราะยังไม่มีกำลังที่จะไปขึ้นทางด่วนได้ยังไม่มีกำลังที่จะไปอยู่วัดได้นานๆอยู่ได้เพียงสั้นๆเช่นวันพระนี่แต่พอหลังจากนั้นก็ยังถูกแรงของการมตัญหาดึงให้กลับมาเสกกามอยู่เรื่อยๆอยู่ ยังยังไม่สามารถไปสู่ระดับของนักบวชได้ก็เลยต้องเดินทางของผู้ครองเรือนไปก่อนทำบุญทำทานไปก่อนอย่างที่ญาติโยมมาทำกันตอนนี้ญาติโยมกำลังเดินทางของผู้ครองเรือนก็เดินทางของทานศีลภาวนาเพราะกำลังที่จะทำทำทานรักษาศีลภาวนานี้ยังมีน้อย กำลังนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสตินี่แหละสติเรายังมีน้อยไม่สามารถควบคุมใจให้มาทำทานได้เพราะกิเลสมันมีกำลังมากกว่ากิเลสอยากจะเอาเงินไปเที่ยวมากกว่ากิเลสอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าอยากจะเอาไปซื้อของกินของดื่มมากกว่าเน้นการทำทานจึงทำได้ไม่มากเพราะสู้กิเลสไม่ได้ แต่พอเริ่มทําไปแล้วจะเริ่มเห็นผลที่แตกต่าง ก, กันว่าทําบุญทำทานนี้ได้ความสุขที่ดีกว่าได้ความสุขที่ปลอดภัยกว่าเหมือนกับกินปลาที่มีก้างกับเป็นกินปลาที่ไม่มีก้างเนี่ยอะกินอย่างไห น, นอร่อยกว่ากันกินปลาที่มีก้างเดี๋ยวเผลอก็ถูกก้างต่าคอ แต่ถ้ากินปลาแบบลูกชิ้นนี่กินแล้วสบายเคี้ยวหมับๆไม่ต้องมาคอยกังวลว่าจะมีก้างมาติดคอหรือเปล่า mm. พอได้เริ่มสัมผัสกับความสุขแบบไม่มีทุกข์ mm. การทำบุญทำทานนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแบบไม่มีทุกข์เพราะว่าเวลาที่ไม่มีเงินทำบุญทำทานก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไปเที่ยวนี่เวลาไม่มีเงินเที่ยวนี่จะทุกข์ mm. ก็จะเห็นโทษของการไปเที่ยว เห็นคุณของการมาทําบุญทําทานก็จะเริ่มมีกําล <Jesus> ังมากขึ้นมีกําลังที่จะทําบุญทําทานมากขึ้นแล้วก็จะมีกําลังสู้กิเลสตัณหาความอยากได้มากขึ้นพอกิเลสตัณหาอ่อนกําลังลงการจะรักษาศีลก็ง่ายขึ้นเวลาที่มีกิเลสตัณหากําลังแรงนี่รักษาศีลยากเพราะความโลภอยากได้เงินทองมากๆนี้ง่ายๆเร็วๆนี้มันยังมีมากอยู่ มันไม่อยากจะทำมาหากินแบบสุดจริตต้อง <Yeah. S 2> อยากจะทำมาหากินแบบทุจริตดีกว่าเพราะได้เงินเร็วโกหกหลอกลว ง, ง, ง, งนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้เงินมาละพูด ค, ความจริงเขาไม่มาซื้อของเราแต่ถ้าโกหกหน่อ ย, เ, ยเดี๋ยวเขาซื้อใหญ่เลย yeah. Yeah. แม่ค้าบางคนเขาจะบอกว่ามรักษาสินห้านี่ยากถ้าทามาท่ามต้องทำมาหากินเ oh. ขาบอกว่าต้องโกหกเขายอมรับว่าต้องโกหก ถ้าไม่กหกคนก็ไม่ยอมซื้อคนชอบหลอกให้ถูกหลอกว่าของนี้ถูกนะซื้อมาเท่านั้นเท่านี้นะขายต่ำกว่านี้ก็จะขาดทุนนะก็จะเห็นใจเขาทันทีที่ไหนได้ถูกหลอกความจริงก็ไม่ขาดทุนหรอกเวลาที่เขาที่เราซื้อของของเขาในราคาที่เราได้ต่อรองแนละ้ว mm. เขาเลยต้องมีการตั้งราคากลงราคาไว้ก่อนราคาจริงร้อยหนึ่งก็ตั้งไป็นร้อยห้าสิบเผื่อต่อไงต่อไปต่อมาก็ ขายร้อยหนึ่งอยู่ดีถ้าไปตั้งร้อยหนึ่งนี่ขายร้อยไม่ได้หรอกราะว่าถ้าบอกตามความจริงว่าลดไม่ได้เขาก็ไม่ซื้อแล้วใชลถแล้วขาดทุนอะ่ะก็ท่านเลยต้อบอกว่าต้องโกหกกันแต่สำหรับคนที่เห็นโทษของการทำบาปว่ามันเป็นทำให้ใจเราไม่สบายมันจะพาให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตบ้าง ถ้าเรากลัวบาปนี้เราก็จะยอมขายแบบตรงไปตรงมาไม่โกหกถ้าไหลก็เท่านั้นบอกไปตามความเป็นจริงจะซื้อก็ซื้ อ, อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร mm. เพราะว่า mm. ก็มีบางคนที่เขาชอบคนซื้อสัตว์สุดเลิต mm. เขาก็ไม่ชอบถูกหลอกพอ ร, รู้ว่าต่อไม่ได้จริงๆแล้วเป็นความจริงเขาก็ไม่ต่อได้เขาก็ซื้อราคาที่เราตั้งไว้ได้ mm. ก็ทาไมตามห้างสรพสินค้าทาไมเราไม่ไปต่ อ, อเาล่ะ เขาติดไ ป, ไปา้ายเวลาราคาไหนเราก็ต้องจ่ายราคานั้นเพราะเขามีมาตรฐานเขาพูดความจริงเขาไม่โกงราคาตรวจสอบได้การตรวจสอบเพราะฉะนั้นต่อไปพอเราเริ่มรักษาสีนได้แล้วพอเรามีความโลภอยากได้เงินน้อยลงเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะหาเงินไปเที่ยวไปซื้อของฟุม่มเฟือยกัน ชีวิตของเราจะเรียบง่ายมากขึ้นสมถะมากขึ้นมีเสื้อผ้าเก่าๆพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนไม่เห็นจำเป็นจะต้องซื้อชุดใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ใช่สองสามอาทิตย์ก็ซื้อชุดหนึ่งสองสามอาทิตย์ก็ซื้อชุดหนึ่งซื้อจนมันเต็มบ้านล้นบ้านแล้วก็ไม่ได้ใส่มันก็ใส่ของที่มีอยู่เพราะหน้าที่ของเสื้อผ้ามันก็เพียงแต่ปกปิดร่างกายของเราเท่านั้นเองป้องกันร่างกายของเราให ไม่ให้ถูกภ <LEGO> ัยต่างๆมาคุกคามก็ผู้ที่ทำบุญมากขึ้นมากขึ้นนี้จิตใจจะเป็นสมถะมากขึ้นมีความอิ่มใจมากขึ้นมีความโลภที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยความอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสน้อยลงน้อยลงก็จะทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองก็สามารถรักษาศีลห้าได้อย่างง่ายดาย แล้วพอรักษาศีลห้าได้แล้วจิตใจมีความสุขจากการอยู่เฉยๆได้ที่นี้ก็เห็นประโยชน์จากการไปนั่งสมาธิแล้วอ๋อท่านไปนั่งสมาธินี้จะสุขมากกว่าตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็อยากจะไปลองดนะูก็ลองไปอยู่วัดกันในวันพระกันวันที่ว่างจากภารกิจงานงานวันไหนว่างก็ลองไปอยู่วัดกันสามวันบ้างหนึ่งวันบ้างแล้วแต่ ว่ามีเวลาว่างมากน้อยเท่าไหร่ก็ไปอยู่กันพอไปอยู่ก็จะได้เรียนรู้วิธีทาใจให้สงบวิธีหาความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วพอได้สัมผัสเนี่ยเวลาไปอยู่วัดก็ต้องถือศีลแปน 8, แต่คนที่ถือศีลห้าได้แล้วก็จะไม่ยากถ้ารักษาได้ห้าข้อแล้วเพิ่มอีกสาข้อนี้ไม่ได้เป็นของยากเกย็นอะไร แต่ถ้าคนยังรักษาศีลห้าไม่ได้นี้ไปอยู่วัดไม่ได้ไปรักษาศีลแปดไม่ได้ยั้นก็ต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปตอนนี้ก็ถ้าเริ่มไปอยู่วัดได้นี้แสดงว่าเริ่มจะหาทางขึ้นทางด่วนกันละเริ่มพบทางขึ้นทางด่วนแล้วก็จะต่อไปก็พอไปอยู่วัดแล้วไปฝึกสมาธิทาใจให้สงบได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรส ก็อยากจะไปบ่อยๆขึ้นทั้งั้งต่อไปอาจจะไปอยู่หลายหลายวันทั้งแรกก็อาจจะไปอาทิตย์ละครั้งอ า, อาทิตย์ละวันต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันต่อไปช่วงไหนว่างก็อาจจะไปอยู่เป็นช่วงยาวเป็นพักๆห้าวันบ้างสิบวันบ้างต่อไปอยู่ไปเรื่อยๆเรื่องเห็นผลที่ได้จากการฝึกจิตนั่งสมาธิภาวนาได้ผลมากขึ้นได้ความสุขมากขึ้น กลับบ้านแล้ววุ่นวายเนาะพอไปอยู่วัดแล้วมันสงบเนี่ยต่อไปก็ไม่อยากจะกลับบ้านง <c oughs> นี้ก็อยากจะขึ้นทางด่วนนะอยงนี้ก็เตรียมตัวออกออกบวชแล้วมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่ก็ทําทานไปให้หมดยกให้คนอื่นไปยกให้สามีภรรยาให้บุตรธิดาไปหรือถ้าไม่มีบุตรไม่มีลูกไม่มีใครก็เอาไปบอยจากให้กับกองการกุศลต่างๆ มีสามีคู่หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านเป็นเศรษฐีชาวนาชาวไร่มีไร่นาเยอะมีวัวควายมีบ้านมีช่องแต่ไม่มีลูกไม่มีหลานท่านก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำจนกระทั่งท่านทั้งคู่สามีภรรยาก็อยากจะออกบวชก็เลยยกสมบัติให้ชาวบ้านไปประกาศติดไว้ใครไม่มีวัวมีควายมาขอไปถ้าไม่มีไม่มีนาทำก็มาขอไป ครไม่มีบ้านอยู่ก็มาขอไปท่านยกให้หมดเลยท่านไม่เอาไว้นั่นแหละการทำทานครั้งสุดท้ายของผู้ที่จะออกบวชนพอทำหมดแล้วที่นี้ก็ไม่ต้องทำทานอีกต่อไปละพอไปเป็นนักบวชนี้เรื่องการทำทานก็หมดปัญหาไปเพราะไม่มีอะไรจะให้ทำแล้วไม่มีเงินทองติดตัวไปการไปเป็นนักบวชนี้เอาแต่ใจไปอย่างเดียวเอาร่างกายกับใจแล้วก็เอาศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เอาธรรมที่เราได้ปฏิบัติไปถ้ายังไม่มีธรรมที่เราปฏิบัติได้ไปเราจะไปไม่ได้ถ้าเรายังฝึกจิตไม่ได้ยังนั่งสมาธิไม่ไดย้ยังเราจะไม่สามารถที่จะไปบวชได้แต่สาหรับผู้ที่มีควาอมนะนี่เขาเขาสามารถสละข้าวของเงินทองไปได้หมดเลยเพราะเขาไม่ต้องอาศัยข้าวของเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเขาต่อไปเขาก็าจะได้ขึ้นทางด่วนนะ ทีนี้พอไปเป็นไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเลยทีนี้ไม่ใช่จะปฏิบัติแต่เฉพาะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือครั้งละหวัน10บวันปฏิบัติมันทุกวันเลยนะแล้วก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นสําหรับนักบวชที่ปฏิบัติจริงๆนี่ท่านปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาปฏิบัติอะไรก่อนก็ปฏิบัติสติเนี่ยสตินี้สามารถปฏิบัติได้ในทุกกิริยาบุ ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราฝึกสติไปได้ท้องพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจได้ถ้าไปเป็นนักบวชก็ไม่มีเรื่องที่ให้ต้องคิดไม่มีเรื่องงานให้ต้องคิดไม่มีค่าเช่าให้เราต้องกังวลไม่มีภาษีให้เราต้องจ่ายเราก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้เราก็สามารถใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดความคิดที่มันเบะเท๊ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีภาระเรื่องให้คิดจิตมันก็ยังชอบคิดอยู่ yeah. งั้นตอนนั้นเราต้องใช้พุโทโธพุธโทโธใช้สติคอยหยุดมันคอยท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยพอรู้ว่าเริ่มคิดและเริ่มปรุงแล้วพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธก็ได้คอยดูให้ใจมันว่างไม่ให้มันมีความคิดแล้วพอเราไม่ต้องทําอะไรเราก็นั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวก็เข้าฌานได้อ้านาทีสิบนาทีก็เข้าฌานได้ พอมีฌานมากๆ ม, มีอุเบกขามากๆทีนี้ก็มาเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ได้พระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากต่า ง, ง, งถ้ายังอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็พิจารณาตายรักไปเลยเพราะมันเป็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วต่อไปจะไม่มีวันที่จะกลับไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปแล้วถ้าเห็นรูปประฌานกับอรูปประฌานว่าเป็นตายรักเหมือนกัน เพราะฌานนี้ก็เป็นของชั่วคราวเวลาเข้าฌานมันก็สงบมีความสุขแต่พอออกจากฌานมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากฌานมันก็หายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาใหม่เพระฉะนั้นต้องต้องเลิกติดรูปฌปานเลิกติดอารมณ์ฌานเหมือนกับตอนที่ไปติดกา ม, มากา ม, มาคุณหเลิกเหมือนกันเพราะว่าคนที่ไม่ติดแล้วสบายกว่าคนที่ติดคนที่ติดรูปเสียงกลิ่นลด กับคนที่ไม่ติดนี้สบายกว่าเพราะคนที่ติดนี้จะต้องวิ่งหารูปเสียงกินรดอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่ติดนี้อยู่เฉยๆสบายไม่ต้องทำอะไรคนที่ติดรูปประชานก็ต้องคอยเข้ารูปประชานอยู่เรื่อยๆคนที่ติดอารูปประชานก็ต้องคอยเข้าอารูปประชานอยู่เรื่อยๆพอรู้ว่ามันเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขแต่มันก็เป็นเหมือนปลาที่มีก้างอย่าไปกินปลาที่มีก้างดีกว่าไปกินปลาที่ไม่มีก้างดีกว่า คือการอยู่เฉยๆโดยไม่มีความอยากนั่นแหละเป็นการเป็นการหาความสุขแบบเป็นแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาถ้าเราอยู่เฉยๆได้ปัญหาของเราก็หมดกันปัญหาคืออยู่อยู่ไม่เป็นสุขกันเนี่ยคําพูดนี้ลองไปคิดดูมีใครอยู่เป็นสุขมั้งต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้นต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรี ก็อยู่เฉยๆไม่ได้เพราะไอ้ตัวอยากสามตัวนี้มันคอยดันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็อยากรูปเสียงกลิ่นรดเดี๋ยวก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวก็อยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่คอยผลักดันจิตใจให้อยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขามีสมาธิมีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ไอ้สามตัวอยากนี้มันอยากได้นี้มันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เลิกได้มันก็อยู่เฉยๆได้เพราะมีอุเบกขา บรเบคานี่แหละเป็นตัวที่ทำให้จิตของเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เป็นสุขได้พอเราหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็หมดกำลังไปมันก็จะไม่มารบกวนใจเราสังเกตดูคนที่เลิกเลิกสูบบุหรี่ได้เนี่ยสบายฝืนไปไม่กี่ครั้งความอยากสูบมันก็จะหายไปคนที่เลิกเดิมสุราได้ก็เหมือนกัน พอฝืนความอยากทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราก็ไม่ดืม่มมองเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและจิตใจก็ฝืนมันสู้กับมันไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็หมดกำลังลงไปมันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปเห็นสุราก็เฉยเฉยเฉยเห็นบุหรี่ก็จะเฉยเฉยเหมือนกับคนที่ไม่ติดสุราไม่ติดบุหรี่เขาไม่เห็นจะไปวุ่นวายกับเรื่องสุราเรื่องบุหรี่เลย ทันใดเนี่ยถ้าเราฝืนความอยากได้จนกระทั่งความอยากมันหมดกำลังแล้วมันจะไม่มาดันเราไปหาสิ่งที่เราเคยอยากได้เคยช้อปปิง้งเคยติดกับการช้อปปิง้งพอฝืนเลิกได้สักพักหนึ่งมันก็ไม่กลับมาชวนเราไปช้อปปิง้งเคยเที่ยวมันก็จะไม่มาชวนเราไปเที่ยวเพราะทุกครั้งที่มาชวนเราไม่ไปสียอย่างพอไม่ไปมันก็ไม่มาลองสังเกต ด, ดูถ้าเพื่อนฝูงมาชวนเราไปไหนสิถ้าเราไม่ไปสักสองสามครั้งต่อไปเขาไม่มาชวนเราแล้ว่ะ เขเสียเวลามาที่ใดก็ไม่ไปอยู่ดีความอยากก็แบบเดียวกันเนี่ยเวลามันมาชวนเราไปเที่ยวก็อยากไปเวลาชวนเราไปาไปซื้อข้าวของไปช้อปปิง้งของที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อก็อยากไปอยู่เฉยๆได้ต่อไปความอยากเหล่านี้มันก็จะหายไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรจะมารบกวนใจต่อไปใจก็จะเป็นอิสระเรียกว่าวิมุตติไง อิสระจากอะไรจากความทุกวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะตัวที่สร้างความทุกข์นี้ถูกปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญากาจัดไปหมดแล้วถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญานี้จะไม่มีกำลังที่จะมากำจัดความอยากทั้งสามนี้ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ทำตัวที่ให้ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกัน แต่เราก็ห hmm. ยุดมันไม่ได so ้เพราะเราไม่ม like ีเครื steps, ats, ่องมือเหมือนกับเวลารถยางแตกเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเครื่องมือคือยกล้อให้ลอยขึ้นแล้วก็ถอดล้อออกแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ถ้าไม่มีแม่แรงเอาเอามือของเรายกล้อขึ้นมามันยกไม่ขึ้นหรอกถนั้นหนักแต่ถ้ามีเครื่องมือง่ายมากใส่เครื่องมือเข้าไปยกล้อขึ้นมาถอดน็อตออกเอายางแตกออกเอายางดีใส่เข้าไปปุ๊บเดียวก็เสร็จ ต้องมีเครื่องมือนะการที่เราจะถอดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาออกจากใจนี้เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงใช้มาก่อนคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่เริ่มต้นก็เริ่มที่ทานศีลภาวนาภาวนาก็สมาธิปัญญาเหมือนกันแล้วพอปฏิบัติไปก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็ทาทานให้มันหมดไปเลย ออกบวชเลยก็อยู่แบบนักบวชก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าจะใช้ก็ใช้สําหรับที่จําเป็นจริงๆไม่ได้ใช้เพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต่อไปเพราะบางท่านอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถไปบวชได้ก็ต้องอาศัยเงินทองก้อนหนึ่งไว้สําหรับจ่ายค่าใช้จ่ายที่จําเป็นก็เก็บไว้ได้แต่ผู้ที่เป็นพระนี่ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองเพราะมีบาทใบเดียวนี่เป็นบาทวิเศษเนี่ยเช้าไปนี่อาหารเต็มบาทล้นบาท วันคนใส่บาตรมาสามสี่ร้อยคนไม่รู้จะไปกินยังไงองนั้นก็ไม่ต้องมีเงินมีทองสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ต้องมีมเงินมีทองก็สละไปหมดเวลาบวชนี่ไม่มีเงินติดตัวไปเลยมีแต่อัฐบริขารสมบัติของพระมีแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองคือบาตรหนึ่งใบผ้าสามผืนเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นที่กรองน้ำใบมีดโกนเข็นกับได้ ไว้สำหรับซ่อมปะจีวรที่เวลามันขาดท่านี้แหละอยู่ได้แล้วเป็นนักบวชไม่ต้องมีอะไรมากนจะได้ไม่มีภาระลุงหลังไม่ต้องมาคอยห่วงมาต้องคอยเฝ้ามาคอยดูแลให้เหนื่อยเป่าๆแล้วก็ได้จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการเจริญสีนสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าบอกเจวันก็ได้สาหรับบางคนถ้าไม่เจ็วันก็เจเดือน ทำไปเจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีท่านบอกว่าต้องได้แน่ๆถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถ้าทั่งถึงเวลานอนหลับไปนี้มันจะมีกำลังที่จะสามารถสู้กับความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วพอใจสิ้นกิเลสแล้วใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมา เป็นนิพพานังบาลมังสุขขังขึ้นมาเวลาใจที่ยังมีกิเลสอยู่นี้มันเป็นอะไรมันสุขแบบไหนรู้ไหมมันเป็นการมังสุขขังคือความสุขแบบการมังนิดเดียวความสุขขนาดกาลมังกับความสุขแบบปาลมังนี่คนละอย่างบาลมังสุขขังนี่ความสุขแบบทะน้ำทะเลมหาสมุทรนั่นขนาดใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีวันหมดลองไปตักน้าในทะเลมาใช้สิตักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แต่ลองไปตักน้ำในกาลังดูเลยเดี๋ยวสองสามขันก็หมดและนั่นแหละเรามาเปลี่ยนความสุขกันจากกาลังสุขขังมาเป็นปรมังสุขขังด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันเท่านั้นเองพอเราทำได้สำเร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ปรมังสุ ข, ขังนี้มันหมดไปตัวกิเลส ท, ที่ใครมาดูด ความสุขของใจนี้มันถูกทำลายไปหมดแล้วก็ใจก็เลยสุขตลอดเวลาก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอยู่กับความสุขไปอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทำอะไรเขาเรียกว่าอยู่เป็นสุขนี่คือแสงผลที่เราจะได้รับจากการได้มาพบปะกับแสงสว่างแห่งธรรมซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะี่ครับเราโชคดีที่มาเกิดในยุคนี้ที่ได้มาเจอแสงสว่างแห่งธรรม ที่นานๆเป็นกลับเป็นกันถึงจะมาโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะอยู่ไปไม่นานสำหรับสาหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธศาสนาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ได้แค่5 0 0พันปีเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเหมือนแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันไม่มันไม่สว่างไปตลอดหรอกอีกไม่รู้กี่ล้านปีมันก็จะหมดเพราะมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับเตาไฟเนี่ยเดี๋ยวฐานที่มันเผาที่ให้แสงสว่างนี้ให้ความร้อนนี้มันหมด ต่อไปดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเหมือนดวงจันทร์มันจะไม่มีอะไรจะเเพราะว่ามันไฟที่มันเผาเผาเชื้อมันหมดลงมันก็กลายเป็นเหมือนดาวดวงจันทร์ไปดวงหนึ่งเท่านี้เรฉนั้นศาสนาพุทธก็เหมือนกันต่อไปก็หมดหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วนี่ก็ก้าวมาครึ่งกว่าครึ่งแล้วเฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทกลับมาทราวหน้าจะไม่เจอก็ได้เพราะไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อเมื่อไหร่ ไหนจะต้องไปใช้บาปหรือไปใช้บุญต่อ ย, <Yeah. S 1> อยงั้นตอนนี้มีโอกาสรีบทำเสีย mm hmm. ถ้ารีบทำในตอนนี้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้ <Yeah. S 1> งั้นรีบทำเสียเถิดสละทุกสิ่งทุกอย่างไปเราจะได้ของที่ดีกว่า <Yeah. S 1> ได้ปรามังสุขขังสละกัลมังสุขขังไปเพื่อ <Yeah. S 1> <laughs> ปรมังสุขขัง <laughs> นี่คือเรื่องของแสงสว่างแห่งธรรมที่นามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาระโสยถามณนโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนาสีวิสานิจังหุตาปจายโน จตารุธมวาทันติอายุวันสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเราจะให้ถามช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบ งั้นถ้าอยากจะถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแล้วทางเจ้าหน้าที่ทีมงานจะช่วยอ่านให้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 422ท่านครับ YouTube 191ท่านครับวิดยุอออนไลน์14ท่านครับ z o o ม8ท่านครับผู้ระฟังนาคุติ141ท่านรวมทั้งหมด776ท่านครับประจันโอเค มว้ไม่รู้จะออกมาอะไรพนีเออกมาหรื อ, อ, อยังยไปถ่ายค ง, งไม่ทันแล้วน ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณเอกค่ะขออนุญาตถามครับถ้าผิดศีลบางข้อแต่ยังไม่ได้แก้ไขสามารถฝึกสมาธิให้ถึงขั้นอั ป, ปนาได้หรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่ามันรุนแรงหรือไม่ แล้วก็อีกอย่างเวลาที่เรานั่งมันตอนนั้นเราก็มีศีลอยู่แล้วพ่าเรานั่งเฉยเฉยเราไม่ได้ไปทําผิดศีลอันอ น, นก็ถ้านั่งเฉยเฉยได้ก็ถือว่ามีศีลพอที่จะนั่งสมาธิได้แต่จะสงบได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าศีลไอ้บาปที่เราทําอยู่ในใจมันยังค้างค้างอยู่ในใจเราหรือเปล่าถ้าเราไปวิตกกังวลกับบาปที่เราทํามันก็จะมารบกวนทําให้เรานั่งไม่สงบ เป็นกังวลว่าจะถูกจับหรือเปล่าคนจะรู้หรือเปล่าว่าเราแอบไปมีแฟนที่ไห น, เ, นเวลานั่งสมาธิมันก็กังวลนะมันก็จะทำให้สงบยากแต่ถ้าเราไม่ทำผิดศีลมันก็ไม่มีอะไรข้างๆในใจเราไม่มารบกวนเวลาทำสมาธิคำถามจากคุณพรชัยคะ่ะทั้งหมดสามคำถามคะ่ะข้อที่หนึ่งพระโสดาบันอยู่ชั้นไหนครับต้องกลับมาเกิดหรือเปล่าครับ พระัจจุบันยังติดอยู่ในกามะพบอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ตัดกามให้หมดสิ้นไปยังมีอยากมีแฟนอยู่ยังอยากมีครอบครัวอยู่ยังอยากเที่ยวอยู่เพียงแต่ว่าท่านจะไม่ทําบาปอย่างแน่นอนเพราะท่านรู้ว่าการทําบาปนี้ได้ไม่คุ้มเสียถ้าอยากจะเที่ยวก็ก็เที่ยวแบบไม่ไปทําผิดศีลผิดธรรม ไม่ไปดื่มสุรายามเาไม่ไปตามบาร์ตามผับไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปก็ได้แต่บันเทิงแบบไม่มีสุราไม่มีการทมที่ผิดศีลข้อที่สองค่ะรับบวชพระหรือไม่ครับที่วัด น, นี้เขไม่มีมบวชแต่ต้องไปติดต่อกับเจ้าว่าเรารับบวชไม่ได้ด้วยตนเองเราเป็นลูกวัด สบายไม่ต้องมีภาระเป็นเป็นหัวหน้าวัดแล้วมันมีภาระทุกอย่างไปที่หัวหน้าหมดเป็นหางเครื่องที่สบายไม่ได้เป็นหัวหน้าวงข้อที่สามค่ะทําทานด้วยแรงกายได้หรือเปล่าครับได้ก็เวลาเราไปทําจิตอาสาอย่างนี้เราก็ใช้แรงกายของเราทําบุญทําทาน ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อยู่ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ก็ได้เป็นเหมือนการทำทานเหมือนกันคำถามจากคุณบุญชัยค่ะขอวิธีเลิกกาแฟด้วยครับถ้าไม่ดื่มไมเกฑนจะขึ้นหัวทรมานมากครับอาจารย์สาธุครับก็ต้องทนอ่ะวิธีเยียมทำให้ทนได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิ เ, าเลยมีไมเกรนก็พยายามนั่งสมาธิแต่ก่อนจะนั่งต้องฝึกพุโทโธให้ได้ก่อน ถ้าฝึกพุโทโธไม่ได้เวลามานั่งมันไม่ยอมพุโทโธมันจะกัด ก, กาแฟกาแฟกาแฟน้ต้องใช้พุโทโธหยุดกาแฟให้ได้ถ้ามันไม่คิดถึงกาแฟมันก็จะไม่มันก็จะไม่เป็นไมเกรนแต่พอไม่คิดถึงกาแฟความอยากมันออกมา ท, าทันทีออกมาแล้วไม่ได้ดื่มมันก็ไมเกรนก็ตามมาทันที <c oughs> คำถามต่อไปค่ะเวลานั่งสมาธิ เริ่มมีความรู้สึกเย็นๆจากข้างในควรทําอย่างไรต่อไปคะหรือปล่อยให้สุกไปเรื่อยๆจนหายไปหรือออกจากสมาธิมาพิจารณาร่างกายเลยคะ อ, อ๋อควรจะภาวนาต่อไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าพูดโธได้ก็พูดโธต่อไปเป็นความมันจะหยุดเองแล้วก็มีความสุขความเย็นความนิ่งเฉยๆก็ไม่ต้องทําอะไรคอยรักษาความนิ่งความเฉยๆไว้อย่าปล่อยให้ใจคิด เร จ, จะเริ่มคิดก็หยุดมันมันก็จะนั่งลงไปได้นานแล้วก็มีความสุขได้นานคำถามจากคุณพีดค่ะทำวัดเยน็นเอาแต่ดอกไม้ไม่ได้จุดเทียนผิดหรือเปล่าเจ้าคะอ๋อไม่ผิดหรอกไม่มีดอกไม้ทุบเทียนก็ไม่ผิดเพราะว่าการบูชาทางศาสนาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูช า, ก, า, า, ชาก็คือการไหวพ้พระสวดมนต์นีก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา เป็นการจเจริญสติจเจริญสมาธิคำถามจากคุณจุก ค, ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ต้องทำอย่างไรขั้นต่ำในชาตินี้ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นคนและมาเจอพระพุทธศาสนาเพื่อให้มาทำทานศีลภาวนาเพิ่มในภพชาติอีกต่อไปกราบสาธุครับก็เข้าวัดบ่อยๆเลยทำให้มันติดศาสนา พอาน่ากลับมาเจอาศาสนาก็จะได้เข้าห า, าศาสนาได้แต่จะไปบงังคับให้าศาสนามาเกิดทุกภพทุกชาตินี่คงจะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของของการปรากฏของาศาสนาที่ไม่เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับบา ร, รมีของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านันนานจะมีคนที่มีบา ร, รมีที่จะมาสร้างพระพุทธาศาสนาได้สักครั้งหนึ่ง แต่เราก็ทำในส่วนของเราคือพยายามเข้าวัดให้ติดวัดไว้แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆแล้วพอเกิดมาเกิดชาติหน้าถ้ามีศาสนาเราก็จะวิ่งเข้าหาทันทีคําำถามจากคุณกฎชการค่ะในระหว่างนั่งสมาธิและบริกรรมไปนั้นมีความรู้สึกเหน็บชาที่ขา จนเหมือนตัวแข็งเป็นหินดูไปเรื่อยๆจนเหน็บชาลดลงจนหายหมดในระหว่างนี้ได้พยายามกลับมาที่คำบริกรรมแต่ใจก็คอยจะกลับไปดูเหน็บชาชทำให้เหมือนใจสลับไปสลับมาระหว่างการบริกรรมและดูดทุกข์ที่เกิดจากร่างกายขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยค่ะว่าควรวางใจอย่างไรกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะควรจะบริกรรมไปอย่าไปสนใจกับอาการเหน็บชา ถ้าสติเราดีเราก็จะอยู่กับการบริกรรมได้ถ้าสติไม่ดีกิเลสมันก็จะให้เราดึงไปที่ความเหน็บชาแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากลุกขึ้นมาอยากจะขยับก็จะทำให้เกิดความอึดอัดทนนั่งต่อไปไม่ได้งั้นอย่าปล่อยให้ใจไปหาอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ยอมตายไปกับพุทโธ ร่างกายมันจะฉีกขาดขามันจะขาดจะแข็งจะเป็นอะไรก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วจิตจะสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายคำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วค่ะ ถ้าเราไม่นั่งสมาธิแบบนั่งหลับตาท่องคําบริกรรมแต่เราท่องพุทโธธรรมโมสังโฆเวลาเคลื่อนไหวไปมาทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันให้มากแบบนี้ทําได้หรือไม่เจ้าคะได้ก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนก่อนที่จะมานั่งได้ <c oughs> ถ้ายังไม่มีสติไม่มีการเจริญพุทโธธรมโมสังโฆอย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งมันก็นั่งไม่ได้เพราะมันจะรู้สึกอึดอัดน แต่ถ้ามีพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วใจมันจะว่างความอยากมันจะน้อยลงพอเวลามานั่งมันจะไม่รู้สึกอึดอัดมันจะนั่งได้แต่ต้องนั่งถ้าอยากจะให้ได้ความสงบมากกว่าการเจริญสติคือพุโทโธธรรมโมสังโฆอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะ ถ้าเราดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับเพราะอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกต้องทุกคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะยึดธรรมเป็นหลักอย่างพระพุทธเจ้าสอนมาให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม เพราะธรรมนี้เป็นของที่เป็นของแท้ของจริงของที่จะอยู่กับอยู่กับใจแต่ของอย่างอื่นคือทรัพสมบัติร่างกายนี้พอตายไปมันก็หายไปหมดไม่ไปกับใจแต่ธรรมนี้ที่เราสร้างได้นี้ไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมเป็นสมาธิธรรมเป็นปัญญาธรรมนี้มันจะติดไปกับใจของเราเป็นทรัพของเราที่แท้จริงเรียกว่าทรัพภายในคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะ กลับนามัสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์เรียนถามในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบันเราในฐานะพุทธศาสานิกชนควรวางใจอย่างไรครับสาธุครับก็มองอนิจจังว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกนะโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเป็นไปตามภาวะของจิตใจของสารโลกที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะ มังยุคก็เป็นยุคของจิตใจที่เจริญโลกก็เจริญอย่างยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคของความเจริญทุกคนฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทุกคนมีจิตเมตตากรุณามีมารยาทมีอะไรอย่ยุคนี้มันยุคของสุนัขลสมันเป็นของสัตว์เดรัจฉานที่มาเกิดกันเยอะก็เลยมาแสดงความเป็นเดรัจฉานของมันออกมา ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักที่ควรไม่ควรดูสังเกตนักสุนักมันรู้อะไรนะมันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครมันก็จะว่าไปตามภาษาของมันก็ต้องปรงว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกที่มีการสลับผัดเปลี่ยนขึ้นมาบนเวทีโลกนี้ตรงนี้เป็นเวทีของพวกสัตว์เลร้ยง้านเขาออกมาก็ปล่อยเขาออกมาเราเป็นมนุษย์เราก็อยู่บ้านของเราแล้วก็รักษาหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเราไป เพราะในที่สุดก็ตายเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครอะไรไปได้อันนี้ก็ปล่อยให้เขาแย่งกัดกันเหมือนหมาก็คือเป็นเหมือนหมาแย่งกระดูกลาบยศสารเสริญนี่เป็นเหมือนกระดูกที่ถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่แย่งกันก็ไม่ตีกันก็ต่างคนต่างหากันช่วยกันแต่ถ้าเป็นหมามันก็แย่งกัดกันเพราะมันรู้จักวิธีหาแบบนั้นแบบเดียวก็คือแย่งกันกัดกันแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่มนุษย์รู้จักวิธีหาโดยที่ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องกัดกัน ถ้าเราอยากเป็นมนุษย์เราก็อยู่แบบมนุษย์อยู่ด้วยการมีศีลมีธรรมมีความเมตตากรุณามีความสัมมาคารวะมีความกตัญญูกตวเวทีแต่ถ้าเราจะอยู่แบบสัตว์เดราชฉานเราก็ไม่ต้องมีความกตัญญูไม่ต้องมีสัมมาคารวะเพราะถือว่าเดรัจานมันถือว่าเท่ากันเป็นสัตว์เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครมีกําลังมากกว่าพลังมากกว่าเท่านั้นเอง คำถามจากคุณรัตนาพรค่ะตอนนี้หนูได้ฝึกสมาธิหลังจากนี้อยากบวชเจ้าค่ะสอบถามพระอาจารย์ว่ามีหลักธรรมเรื่องใดหรือบทสวดใดต้องเตรียมตัวท่องเรียนรู้มาก่อนที่จะบวชหรือเปล่าเจ้าค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเจ้าค่ะก็ผู้หญิงก็ไม่มีอะไรมากการบวชรสึกว่าเพียงแต่ขอศินศินแปนี่ก็ถือว่าได้บวชแล้วงั้นก็ไปศึกษาไปถามตามสำนักที่เราจะไปบวช ว่าต้องท่องอะไรไว้มากไม่มีไม่มากแล้วส่วนใหญ่ก็จะสอนให้เรารู้จักไหว้พระสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นอันนี้เป็นกิจวัตรของนักบวชทั่วไปแต่ถ้าไปสายปฏิบัตินี้บางวัดท่านก็ไม่ไม่ต้องสวดเลยก็ได้ถ้าภาวนาเป็นปฏิบัติเป็นท่านก็ให้ปฏิบัติได้เลยไม่มีการนโบวชเช้าเย็นมาไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเพราะท่านเห็นว่ามันสู้การปีกวิเวกไปภาวนาไม่ได้ จวิเวกภาวนานั่งสมาธิตามลาพังนี้ได้ประโยชน์มากกว่าการมารวมกันมาไหว้พระสวดมนต์ท่านก็เลยจะไม่มีทําวัช้าวัดเย็นกันเลยวัดที่วัดป่ามัณฑสมัยที่เราอยู่ไม่มีการลงมาไหว้ทำวัชาว้าวัดเย็นจะมีเฉพาะวันไหนที่หลวงตาท่านจะแสดงทําอบรมพระท่านก็จะเรียกพระให้เข้ามาเข้ามาก็ไม่มีการสวดเข้ามาถึงก็จุดูเทียน แล้วก็กราบไหว้พระจุดธูปเทียนคนเดียวไม่ใช่ทุกองค์จุดธูปเทียนชุดเดียวก็พอแล้วก็ไฟฟ้าก็ไม่มีอาศัยแสงเทียนนั่งอยู่ในที่มืดฟังธรรมกันไปด้วยความสงบประมาณสักสองชั่วโมงก็เลิกกันอันนั้นจะมีแค่นั้นสลหรับวัดปฏิบัตินี้ถ้าไม่ค่อยเน้นเรื่องเรื่องบุญบังสังส่วนแเ น, น้นเรื่องการปฏิบัติ คำถามจากคุณสุภนัทค่ะขอสอบถามการพิจารณาเกสาโลมานักขาทันตาตโจต้องพิจารณาก่อนหรือหลังนั่งสมาธิและการพิจารณาต้องดูจากรูปภาพหรือจินตนาการนึกวาดขึ้นมาครับออการพิจารณานี้ต้องทําในช่วงที่ไม่ได้ทําสมาธิช่วงที่ทําสมาธิเราไม่ต้องการใช้ความคิดนะ ยกเว้นว่าถ้าเราจะใช้อาการ32เป็นณารมณก์ก็ใช้ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้พุทธโธเราอยากจะใช้การ32สองเราก็ท่องชื่อของอาการไปผมขนเล็บฟันหนังบางถ้าอยากจะชอบท่องบาลีด้วยก็ได้เกษาแปลว่าแกเกษาผมโลมาขนถ้าไม่ต้องการบาลีต้องการภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ก็ท่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปใช้ท่องถึงมุน้ำมูด อาการ32แล้วก็ย้อนกลับมาท่องกลับมานี่ก็อนุโลมกับปฏิโลมการสวดแบบนี้การท่องแบบนี้มันบังคับให้เรามีสติเพราะใจจะไปคิดเรื่องนุ้นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้พอคิดปร๊บลืมแล้วเฮ้ยถึงไหนแล้วนั้นก็มันก็จะช่วยทำให้เรามีสติได้ได้ดีสาหรับคนที่ไม่มีสติบางทีอาจจะต้องอาศัยการท่องแบบนี้ไปก่อนแต่คนที่มีสติกาลังพอแล้วอาจจะไม่ต้องท่องก็ได้ นั่งแล้วก็ดูลมหายใจเขาออกได้เลยแต่การที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญานี้ต้องทำตอนที่ไม่ได้ทำสมาธิหรือให้ปัญญาก็คือความรู้ให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างเนี่ยเรารู้ไม่ว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างาก็รู้แก่แค่ส่วนที่เรามองเห็นเนะี่ยมีแต่ผมมีแต่ตามีแต่คิ้วน่ส่วนใหญ่กังวลแต่เรื่องตาคิ้วนี่เท่านั้นส่วนอื่นไม่สนใจเลยมันมีอะไรต้องเยอะแยะที่เราไม่เห็นกัน ภายใต้ผิวหนังนี้มีอาการซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีโครงกระดูกมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้อะไรต่างๆเนี่ยศึกษาเห็นภาพรวมของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปคิดว่าร่างกายมันสวยเป็นงามพอเข้าไปดูข้างในเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราหรือเป็นขอทานเหมือนก็มีอาการ32เหมือนกัน คำถามจากคุณสุพัทนค่ะนั่งสมาธิได้ประมาณ50นาทีเราพิจารณาร่างกายได้ประมาณ10นาทีหนึ่งรอบทำยังไงให้มีกำลังใจให้พิจารณาร่างกายต่อหรือทำสมาธิต่อไปได้นานยิ่งขึ้นครับ เ, เวลา n ั่งครบ50นาทีก็อย่าเพิ่งลุกพยายามบังคับใจให้สวดไปให้ท่องพุโทโธพุทโธไปหรือท่องอาการ32ไปก็ได้อย่าเพิ่งลุก จะได้เตินสติไงเรียกว่าสติหมดสติที่ส่งให้เรามานั่งเฉยๆได้นั้นมีแค่ห้าสิบนาทีพอหมดเราก็เติมสติใหม่ด้วยการท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธหรือต้องอาการสามสิบสองไปมันก็จะนั่งต่อไปได้แล้วถ้าท่องไม่หยุดเดี๋ยวมันก็สงบก็นั่งต่อไปเป็นรอบสองได้โดยที่ไม่ต้องลุกเอาไมา้มาฟาดมันเลยถ้าไหนตัวไหนมันดื้อต้องสอนมันแบบภาษามันมันถึงจะเข้าใจ สอนแบบภาษาคนไม่เข้าใจพูดถึงหมายอย่างมาไม่ต้องตกใจท่านแก้วคุณแก้วคอยเดินวิ่งตามันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ไม่ได้ขาดความเมตตาหรอกเวลาสั่งสอนเขาสั่งสอนด้วยความเมตตาเขาทาผิดเราก็ต้องลงโทษเขาหน่อยให้เขารู้ว่าไม่ควรจะทําอีกต่อไปคำถามจากคุณกัลยาค่ะ กับนมัส ก, การเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราทำบุญเราเขียนชื่อลูกๆและน้องเพราะอยากให้เขาได้บุญเพราะเขาต้องทำงานและเรียนเขาจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะไม่ได้หรอกเพราะการทำบุญนี้หนึ่งต้องเป็นของของเราเป็นข้าวของของเราเองสองต้องมีเจตนาของเราเราต้องอยากทำเราถึงจะได้บุญถ้าเราเอาเงินของเราทำให้คนอื่นเขาไม่ได้บุญหรอก เหมือนเรา เ, าเอาข้าวกินแทนเขานี่กินไปเท่าไหร่เขาก็ไม่มีข้าวได้กินเหมือนเราดัางนั้นการทําบุญทําทานนี้ต้องทําเองแลต้องเป็นของตนเองด้วยถึงแม้เราจะให้เงินเขาแล้วบอกเขาไปทําบุญเขาก็ไม่ได้บุญเพราะเราสั่งเขาแล้วแต่ถ้าเราให้เงินเขาแล้วเราไม่ไปบอกเขาว่าให้ไปทําอะไรเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะไปเที่ยวก็ได้เอาไปทําบุญก็ได้อันนี้เขาก็ต้องตัดสินใจเองว่าเขาจะเอาไปทําอะไรอันนั้นนเขาถึงจะได้บุญ คำถามจากคุณน้ำครึ่งแก้วคะ่ะการเดาเข้อสอบบาปไหมเจ้าคะบางทีเราเดาเข้อสอบผิดหรือไม่เจ้าคะไม่บาปแต่ไม่ไม่ฉลาดเพราะว่าเขาสอบเราเพื่อทดสอบความรู้ของเราว่าเรามีเรารู้หรือเปล่าถ้าเราไปเดานแสดงว่าเราไม่รู้หมดเราไปเดาเอาจากความรู้เฉพาะที่เราคิดว่าเขาจะถามเราแสดงว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ไม่มาก รู้แต่เฉพาะที่คำที say, ่เราไปคิดว่าเขาจะถามเราคำยิงเขาต้องการให้เรารู้ทุกคําถามทุกทุกอย่างเลยที่เราเรียนที่เขาสอบนี่เพื่อทดสอบว่าเรามีความรู้หรือเปล่าอย่างเขาก็ไม่ต้องมาบอกลุงก็ไม่ต้องมาสอบเลยก็เอามาบอกแล้วว่านี่วันนี้จะถามนู่นถามนี่แล้วคนก็ไปเปิดดูมันก็ได้แค่ความรู้เฉพาะที่เราเราบอกจะสอบเขาเท่านั้นเองอย่างที่เขาไม่บอกว่าจะถามอะไรก็เพราะว่าเขาต้องการให้เรา ให้เราเรียนทั้งทั้งหมดให้เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเราจะได้มีความรู้ครบบริบูรณ์ตามหลักสูตรของเขาแต่ถ้าเราไปเก่งนี้ก็แสดงว่าเราเรียกว่าจะว่าโกงก็ได้โกงโกงตัวเราเองไม่ได้โกงใครหล อ, อกตัวเราเองได้ป ร, ริญญาแต่เวลาไปทํางานทําการไม่สามารถทําำได้อย่างสมบูรณ์ คำถามจากคุณเนตตี้ค่ะสมมุติว่าเราชอบแสงจากพระจันทร์เราสามารถตั้งนิมิตแสงสว่างนี้บ่อยๆเวลาทำงานหรือนั่งสมาธิใช้แทนคำบริกรรมภาวนาได้ไหมเจ้าคะได้ได้ก็เรียกว่าเป็นกัดสินอย่างใช้แสงใช้สีนึกถึงสีแล้วต้องต้องอย่าให้มันไปเราพยายามรักษาสีนั้นให้อยู่ในใจ ต้องอย่าไปดูเพ่งดูดวงจันทร์ด้วยตาไม่ได้ดูตอนต้นได้ดูเพื่อให้นึกถึงสีว่าเป็นยังไงแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงถึงภาพนั้นให้มันปรากฏขึ้นมาในใจมันก็ต้องใช้สติคอยควบคุมบังคับมันถึงจะภาพนั้นถึงจโผล่ขึ้นมาได้มัน ก, ก็มันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เหนขาเรียกว่าวิธีของกสินกระสินเขามีให้ใช้สีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาว ให้เรานึกถึงสีใดที่เราต้องการเช่นถ้าเราชอบสีเขียวแล้วก็ดูสีใบไม้แล้วก็พยายามจำไว้แล้วก็หลับตาแล้วก็ให้นึกถึงสีนั้นขึ้นมาในใจแล้วถ้ามันขึ้นมาก็พยายามให้มันอยู่ในใจเป็นนานๆใจก็จะรวมเป็นสมาธิได้มีคำถามจับทางยู u ูบค่ะพระอาจารย์ครับตาแหน่ง จุลนายกตอนที่พระอาจารย์ได้รับตําแหน่งนี้มีหน้าที่อย่างไรและเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับอะไรทางสงฆ์ครับเป็นตําแหน่งลอยๆเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นเเป็นครื่องประดับยุทธของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชนี้ท่านมีสิทธิ์จะตั้งพระลูกพระที่มาช่วยงานท่านให้เป็นพระเรียกราชาคณะคือพระเจ้าขุนได้สองลูกคือเป็น ประหลาดซ้ายกับประหลาดขวาก็เป็นมือนเลยขามือซ้ายเลยขวามือขวาของท่านแล้วแต่ท่านจะใช้ให้ทําอะไรแต่ท่านตั้งเราแเราไม่ไปรับใช้ท่านท่านก็เลยไม่ได้ใช้เราเพราะเราไม่เข้าไปหาท่านก็เลยมีแต่ตําแหน่งลอยๆแต่ไม่มีงานทํำแต่นอกจากเป็นเจ้าคุณสองลูปแล้วท่านรู้สึกท่านตั้งพระครูได้ประมาณ10รูปด้วยกัน พระครูก็เป็นยศต่ำลงมาถ้าเปรียบเทียบเจ้าคุณก็เป็นเหมือนระดับในร้อยส่วนพระครูก็เป็นระดับจ่าระดับในสิบพระก็มียศเหมือนกันคำถะตอบไป คำถามจากทาง YouTube ค่ะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึง่งพระได้พูดหยอกล้อเรื่องรูปร่างผู้หญิงแต่มีผู้บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไม่ได้คิดอะไรอยากขอคำแนะนำเพื่อความเห็นที่ถูกต้องเจ้าค่ะก็มันผิดพรนะวินายนไปพูดแบบนี้นะมันมันมันอะไรนะมันใกล้กับจะว่าผิดถ้าไม่ผิดก็ใกล้เคียงกับความผิด ซึ่งพระไม่ว่าใครเท่าที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาหันก็ไม่มีใครท่านพูดอย่างนี้กันเห็นดูของแท้ดีกว่าของที่ใครมาแอบอ้างว่าเป็นแล้วมาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะสงสัยนะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระควรจะพูดคําถามจากคุณบีนายค่ะอยากถามว่าถ้านั่งสมาธิแล้วไม่สงบใช้นับรูก ป, ประคหรือเดินจงกรมแทนได้ไหมคะ ได้เบื้องต้นถ้ายังนั่งสงบไม่ได้แสดงสติยังไม่พอก็ไปเดินจงกลมได้เดินจงกลมแล้วจะนับลูกประคก็ได้แต่เวลานั่งแล้วต้องไม่ใช้ลูกประคำเพราะท้งถ้ายังใช้ลูกประคำอยู่มันจิตยังต้องทํางานอยู่ต้องขยับร่างกายหรือจะทําแต่เฉพาะตอนเริ่มต้นก็ได้นับลูกประคไปสักระยะหนึ่งแล้วพอรู้สึกว่ามีกําลังพอก็หยุดนับแล้วก็ดูลมหายใจต่อ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะสุดท้ายแล้นะคำถามสุดท้ายแล้วการปฏิบัติสมาธิเราต้องกำหนดผู้รู้ก่อนใช่ไหมเจ้าคะถึงจะทำให้เราได้สมาธิเร็วและถูกต้องเจ้าค ะ, ะต้องกำหนดสติไม่ใช่ผู้รู้ต้องกำหนดสติให้เราเลือกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือจะสวดมนต์จะอะไรไปก่อนก็ได้อ น, นี้เป็นการเจริญสติ